เรื่องสอนเศรษฐกิจสัมพันธ์และพลานาใหม่เศรษฐกิจสัมพันธ์และพลานามัยนี้เป็นพระธรรมเทศนาที่ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงสลับกับการแสดงพระธรรมวิเนยความมุ่งหมายเพื่อความอยู่ดีกินดีของชาวบ้านและท่านถือเป็นภาระอันสําคัญตามหลักในประโยชน์สคือประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในเบื้องหน้า และประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานท่านเล่าว่าเราจะต้องสอนเขาโดยการแสดงจากผลไปหาเหตุหลักแสดงผลไปหาเหตุง่ายเกิการปฏิบัติสําหรับการครองชีพเพื่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านจะได้อยู่ดีกินดีคนส่วนมากเข้าใจว่าท่านพระอาจารย์มุ่งสอนแต่ให้คนบนรรลุพระนิพพาน แม้สานุสิตของท่านก็เข้าใจเช่นนั้นจะเห็นได้จากการเล่าประวัติก็มักจะอธิบา ย, เ, ยเรื่องการละกิเลสตัณหาราคะเพื่อบรรลุมรรคผลเป็นส่วนมากแต่กลับกันกับเรื่องท่านพระอาจารย์สอนมุ่งผลประโยชน์สมอย่างสอนให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุถึงนิพพานให้เขามีความสุขบ้างมีฉนั้นจะเรียกว่ามนุษย์สมบัติได้อย่างไร ก่อนจะกล่าวถึงผลละเหตุแห่งเศรษฐกิจสัมพันธ์ผู้เล่าขอกล่าวหลักการเศรษฐกิจก่อนเล่าตามที่จำได้เศรษฐกิจคือการงานที่ชาวบ้านกระทาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การครองเรือนให้อยู่ให้กินดีที่สุดไม่ขัดสนหลักเศรษฐกิจมี4ประการคือ 1. ผลิตกรรม2 บริโภคกรรม 3. วิภาคกรรม 4. ปริวัตกรรมนี่คือหลักการใหญ่ๆท่านแจกแจงต่อไปว่าผลิตกรรมนั้นคือการผลิตหรือตกแต่งปลูกฝังขึ้นจากชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี้เองมีการไถยหว่านการเลี้ยงรักษาโรค การค้าขายการแลกเปลี่ยนเงินและทองเป็นหลักใหญ่ที่เป็นสัมมาอาชีพแต่อย่าทำมาบายามุกนะเพราะเป็นปากเป็นทางแห่งความชิบหายท่านว่าผลที่เกิดจากการผลิตเราได้อยู่ได้กินได้ใช้สำเร็จประโยชน์อิ่มนนำสำราญเบิกบานใจหายหิวเรียกว่าบริโภค ก, กรรม ผลผลิตที่มีพอกินพอใช้ผลกำไรที่เกิดจากการผลิตผลนั้นแจกจ่ายไปตามสัสดส่วนสู่บุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆตามกรณีแวดล้อมเรียกว่าวิภาคกรรมผลผลิตที่เกิดจากผลิตกรรมข้อหนึ่งจากเกษตรกรรมมีพืชพันธัญญาหารคือข้าวถั่ว ง, งาเป็นต้น และจากแร่ธาตุที่เกิดจากสินแร่ธาตุหินหรือวัตถุธาตุเป็นต้นว่าทองคำเงินก็ดีที่หลอ่อหลอมเป็นแท่งแล้วมาตกแต่งแปรสภาพให้มีรูปมีลักษณะต่างๆด้วยวิธีการอุตสาหกรรมขนาดต่างๆใหญ่กลางเล็กแต่ท่านพระอาจารย์จะอธิบาย บ, ายบาย่อยๆก็แต่อุตสาหกรรมเล็กเปรียบเทียบสำเร็จรูปแล้วนามาบริโภคใช้สอย ตามความต้องการของแต่ละบุคคลนี้เรียกว่าปริวัตกรกมได้บอกไว้แล้วว่าเรื่องเศรษฐกิจสัมพันธ์นี้ท่านแสดงจากผลไปหาเหตุผลนี้เกิดจากเหตุอะไรท่านอธิบายเป็นโยงใ ย, ยสัมพันธ์เป็นลูกโซ่เข้ากับจิตถธรรมิกถาประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันสี่อย่างในบาลีใช้คาว่า ทำสี่ประการเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขในปัจจุบันสี่อย่างคืออุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมันในการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตก็ดีในการศึกษาเล่าเรียนก็ดีในการทำธุระหน้าที่ของตนก็ดีอารักษสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษา คือการรักษาทรัพย์ที่สแสวงหามาได้ด้วยความมันไม่ให้เป็นอันตรายก็ดีรักษาการงานของตนไม่ให้เสื่อมเสียก็ดีกันระยาณมิตรตาความมีเพื่อนเป็นคนดีไม่คบคนชั่วสมาชีวิตตาความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กาลังทรัพย์ที่หามาได้ ไม่ให้ฟืดเคืองนักไม่ให้ฟูมฝ่ายนักหลักธรรมสี่ประการ น, นี้เป็นเหตุให้เกิดผลมีความสุขของเขาหรือหัดมีสี่อย่างคือสุขเกิดจากความมีทรัพย์สุขเกิดจากการจ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดจากความไม่ต้องเป็นหนี้สุขเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษ สุขของขฤหัสสี่อย่างนี้ยงยัยเข้ากับประโยชน์ที่เกิดจากการสแสวงหาภคทรัพย์ในทางที่ชอบห้าอย่างคือเลี้ยงตัวมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขเลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุขบำบัดอันตรายที่เกิดแต่เหตุต่างๆรมภลีกรรมห้าอย่างคือยาติภลีสงเคราะห์ญาติ อาิติภลีต้อนรับแขกปุภาเปตาภลีทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายราชภลีถวายเข้าหลวงมีภาษีอากรเป็นต้นเทวตาภลีทำบุญอุทิศให้เทวดาและประโยชน์ที่เกิดจากการสแสวงหาภพทุัพย์ในทางที่ชอบอย่างที่ห้าคือบริจาคทาน ให้สัมมาชีพราหมณ์ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบทั้งหมดนี้จะสัมพันธ์เข้ากับประโยชน์ซึ่งเกิดจากการถือภพกรัพับห้าอย่างโดยจะสัมพันธ์เข้ากับข้อสี่คือการทำผลีกรรมห้าอย่างโดยจำเพาะคือข้อราชพลีถวายเข้าหลวงมีภาษีอากรเป็นต้นข้อนอกจากนี้สัมพันธ์กันให้เกิดผลพลอยได้ตามมา ทั้งหมดนี้โยงใหญ่เป็นลูกโซ่เข้ากับพลานามัยแบบท่านพระอาจารย์มั่นอย่างมีระบบพลานามัยนี้จะโยงให่เป็นลูกโซ่สัมพันธ์เข้ากับหลักเศรษฐศาสตร์ข้อสี่คือปริวัติกรรมหลักการเศรษฐกิจใหญ่ๆท่านไม่ค่อยพูดบ่อยนักมากพูดแต่หลักย่อยๆเพื่อผู้ฟังจะได้เข้าใจง่ายและทาได้ง่าย ข้อสปริวัตกรรมนี้คือการแปลรูปผลผลิตมาเป็นอุตสาหกรรมทุกขนาดที่ได้กล่าวมาแล้วจะมีการแข่งขันกันสูงขึ้นเพื่อสร้างผลิตผลให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งปัจใจัยในการดำรงชีพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดการกินดีอยู่ดีมีที่อยู่ถูกสุขลักษณะมีสิ่งแวดล้อมกลมกลืนกับธรรมชาติที่ดี มีเครื่องนุ่งหมที่สะอาดราคาพอประมาณมีอาหารที่ถูกสุขลักษณะปราศจากเชื้อโรคครบทั้งห้าหมู่โดยไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นมีสถานพยาบาลเพียงพอแก่ชุมชนนั้นหมุนเวียนเป็นวัตจักเป็นวงจรเหมือนวัตวนสามคือกิเลสกรรมวิบากตลอดจนสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดอันไม่มีที่สิ้นสุด แต่เศรษฐกิจสัมพันธ์นี้เป็นวัตจักรหากเศรษฐสัมพันธ์เข้าคู่กับสัตว์โลกยังถูกหลักโลกนี้ก็เป็นที่ปรารถนาของสัตว์ผู้วางสาวกกภูมิปัจเจกภูมิพุทธภูมิและจักรพัดิราชสมกับคำว่าเป็นสถานกลางของกามาวจรภพสิบเอ็ดคือมนุษย์สภบนี้อย่างสมบูรณ์แบบท่านว่าดังนี้ ผู้เล่าเฝ้าสังเกตติดตามฟังและประเมินผลมาเป็นเวลาหกปีกว่าเรื่องเศรษฐกิจสัมพันธ์และพลานามัยนี้ทุกครั้งแห่งธรรมเทศนาของท่านจะปรากฏไม่ละเว้นเลยเป็นหลักการบ้างอุปมาเปรียบเทียบบ้างหลักเศรษฐกิจสัมพันธ์และพลานามัยแบบท่านพระอาจารย์มั่นนี้ท่านจะแสดงทุกวันทุกคืนทุกสถานที่ทุกอิริยาบถและทุกโอกาส ส่วนมากข้อธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มั่นจะแสดงเรื่องการบำเพ็ญทานการรักษาศีลจะเป็นศีลสามัญหรืออริยศีลก็ตามสมาธิและปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและโล ก, กุตระท่านจะแสดงถึงโลกคือแผ่นดินภายนอกได้แก่พื้นพิภพและสัตว์ผู้อยู่อาศัยมนุษยชาติเรา เป็นสัตว์ประเสริฐที่อาศัยอยู่ในพิภพนี้และมนุษย์นี่แหละจะเป็นผู้สร้างความเจริญและความหายนะให้แก่พิภพนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในโลกนี้และประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้ทั้งภายนอกคือบนพื้นโลกที่สัตว์อาศัยและภายในตัวสัตว์คือมนุษย์บุคคลตัวตนเราเขานี่แหละ คำพังเพยที่ท่านไม่ละมักสลับมากับเทศนาเสมอว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติพระพุทธศาสนาไว้ในหัวหลักหัวต่อดินยญ้าฟ้าแดดลมอากาศกลางหาวดวงเดือนดาวนักขัตฤกิกพระอาทิตย์พระจันทร์ที่ไหนคงบัญญัติแต่งตั้งไว้ในตัวคนเรานี้แหละชะปัญญติโยขันธปัญญติโย อายตนะปัญญติโยธาตุปัญญติโยและจนถึงขันอายตนะธาต์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวบุคคลใช่ไหมท่านอธิบายเรื่องธันนกถาสัมพันธ์อะไรกับการกสิกรรมคือการไถการหวานเกี่ยวข้องวันยันค่ำคืนยันรุ่งก่อนจะออกบินทบาด ท่านจะเดินจงกรมก่อนได้เวลาจึงครองจีวรลงศาลาหอฉันถือไม่เท้าเดินทางพระอุปถากรับบาทเดินนำประสงค์เดินนำบ้างเดินตามบ้างห่างบ้างแล้วแต่จังหวะท่านพบเศษไม้หรือวัตถุอะไรควางหน้าก็จะเขี่ยออกนอกทางเศษผาดก็จะเขียห้อยกิ่งไม้ไว้แล้วก็เทศไปเรื่อยๆท่านว่า ไม้เท้านี้ก็ดีขี่อะไรขวางหน้าก็ได้สุนักเห็นกลัวก็หลีกทางให้พอถึงอุปจาวราคามคือเราแวกบ้านวางไม้เทา้าในที่ควรแล้วรับบาทเดินสำรวนต่อไปบางแห่งชาวบ้านจัดม้านั่งยาวให้ท่านรับบิณฑบาตและให้พรไม้เหตุ ในพระวินัยมีระบุไว้ว่าห้ามยืนแสดงธรรมเกินหกคำขึ้นไปและในบทให้พรของพระที่มักได้ยินกันนั้นก็จะเป็นการแสดงธรรมชนิดหนึ่งคือเมื่อแปลจะได้ความว่าธรรมมาสีประการคืออายุวันนะสุขาภละยอมเจริญบังเกิดขึ้นแก่ผู้มีปกติกราบไหว้และอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดในสายที่ท่านเกรงเมื่อออกบิณฑบาต ถ้าไม่มีที่นั่งให้พรท่านก็จะไม่สวดบทให้พอนี้จะเห็นได้ว่าชาวบ้านในสมัยก่อนนั้นเข้าใจพระวินัยข้อนี้ดีจึงมีการจัดม้านั่งไว้ให้ท่านให้พรโดยตรงซึ่งถือว่าเป็นการเอือ้อไม่ให้พระท่านโ ม, มองหรือผิดวินัยแม้จะเป็นอาบัติเล็กน้อยก็ตามพอถึงอุปจาระคามวางไม้เท้าในที่ควร แล้วรับบาทเดินสมรวมต่อไปบางแห่งชาวบ้านจัดม้านั่งยาวให้ท่านรับบินทบาทและให้พรจังหวะนี้หละโยมที่มาใส่บาทบางคนก็พูดว่าวันนี้ได้มะเขือต้มน้ำพริกคือตําเจ้าใส่บาทัญญาท่านท่านว่ามะเขือเกิดจากดินคนปลูกรดน้ำปรวนดินรั้วรอบขอบชิดกันสัตว์เข้าไปคุยเขีย เป็นหมากเป็นผลกินก็อร่อยยิ่มท่านก็ได้บุญขายก็ได้เงินนั่นหละโยมบนแต่ว่าไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะกินปลูกฝังรักษาแล้วไม่ต้องร้องเรียกว่ามะเขือเอ้ยพริกเอยหน่อคาเอ้ยขิงเอ้ยตลอดกะเพรานางรักฟักแฟงแต่งเต้าว่าสูทั้งหลายจงเกิดขึ้นสูทั้งหลายจงใหญ่สูงสูทั้งหลายจงผลิดอกออกผล ทั้งหลายจะได้กินได้ทานได้ค้าได้ขายไม่ต้องเรียกร้องเมื่อปลูกฝังรักษาลำต้นดีแล้วได้กินได้ทานเองนี่คือบทเทศเรื่องเศรษฐกิจสัมพันธ์ในครอบครัวเขาเหล่านั้นยอมรับว่าได้กินได้ทานเพราะอัญญาท่านสั่งสอนให้ทำสวนครัวเพราะฉะนั้นหมู่บ้านที่ท่านไปอยู่สามสเดือนให้หลัง จะมีผลิตพลเหล่านี้ไม่ขาดส่วน